อ่านหนังสืออ่านหนังสือดุดไปเงี้ยเอ้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรได้ความรู้ว่าไอการระ ง, งับประสาทเนี่ย <c oughs> ไอยาเนี่ยมันระ ง, งับประสาทคือมันเคลียร์ร่างกายหยาบได้มันก็เข้าสู่อธิสมานกายนี่มันเป็นอย่างนั้น แต่มันเคลียแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้การนะเคลียแบบนี้พลังจิตก็ไม่ได้เวลาก็เสียแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่เมื่อมันเกิดเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยทำไมจึงไม่เอาพลังจิตนี่ไล่หวัดมันออกพลังจิตไล่หวัดออกได้ไหม ไล่ออกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปใช้พลังจิตไล่หวัดออกมันก็เสียพลังโดยใช่เหตุและอีกประการหนึ่งพลังจิตนั่นไม่ใช่ว่าจะไปรักษาได้ทุกอย่างต้องอาศัยยายาเช่นยางบาดเจ็บมีดฟันเลือดออก อย่างนี้ไม่ได้ไมัน ต, ต้องมียาต้องมียารักษาอย่างเนี้ยอย่างเวลาเขาจะผ่าตัดอย่างนี้เขาก็ต้องใช้วางยาสลบอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่ว่าการที่เขาใช้<อ>การเคลียร์ร่างกายแบบใช้ยานั่นมันจะทำให้เกิดความ วิปริตจะพูดว่าเป็นวิปริตก็ไม่ได้มันจะเกิดอนความไม่ทำให้ในร่างกายอันเนี้ยมันมีการผิดผิดดุลผิดดุลของร่างกายอย่างเป็นต้นว่าคนที่วางยาสลบหลายครั้งในชีวิตครั้งหนึ่งไม่เป็นไร ครั้งที่สองเน่เริ่ม เ, เริ่มเปลี่ยนแปลงไอจิตใจของคนนั้นน่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงอพอครั้งที่สามเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนไปมากคล้ายๆก็ว่าจะเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเคลียร์ด้วยยาเนี่ยมันเป็นการบีบบังคับเ้าเรียกว่ากดขี่ การบีบบังคับเนี่ยมันเหมือนกับเราบีบบังคับเด็กอย่างเนี้ยเราบีบบังคับมันมากเนี่ยมันก็กลายเป็นเด็กงิมไปคือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยความฉลาดก็ลดน้อยลงหรือการเคลียร์ร่างกายด้วยวิธีการใช้ยาเนี่ยมันก็จะทำใ ห, ให้ร่างกายของเราเนี่ย มีการไม่สมดุลเกิดขึ้นอย่างเป็นต้นว่าเรานอนไม่หลับอย่างเงี้ย <c oughs> เราใช้ยานอนหลับเนี่ยไอ้ยานอนหลับเนี่ยมันจะทําให้ไปเคลียร์ร่างกายเราได้จริงแต่ว่ามันจะมีอาการเกิดการไม่สมดุลขึ้นในร่างกายอันนี้ได้อันนี้คือผลเสียแต่ว่า อ, อถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้มันก็มีประโยชน์ที่เขา คิดค้นขึ้นมา <c oughs> วันนี้พูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปก่อนแต่วันนี้เรามีการที่จะต้องอธิบายถึง เ, เรื่องความเสื่อมของชา้นแต่วันนี้เสียงมันยังไงไม่รู้ไม่ดูดแฮนะคนทําเสียงทํายังไงวันเนี้ยเสียงไปไงไป <c oughs> อ นี่ก็อธิบายการนิดไปก่อนว่าความจริงการเสื่อมของฌานนั่นคือการถูกลดปริมาณนั่นเองหมายถึงการลดปริมาณคุณภาพเช่นรถยนต์ที่ใช้อยู่ตัวถังผุหรือลูกสูบหลวมที่นั่งเปื่อยทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ หมายถึงการลดปริมาณคุณภาพซึ่งก็คงพูดได้ว่าเสื่อมคุณภาพนั่นเองเพราว่าชานะหมายถึงว่าเวลาที่เราเทําขึ้นมาได้แล้วพอทําขึ้นมาได้แล้วนี่มันก็จะเกิดความสบายพอเกิดความสบายขึ้นมาเนี่ยบางคนนั้นก็ ด้วยความไม่เอาใจใส่หรือด้วยความคิดว่าไม่ทําก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ปล่อยปละละเลยไปเมื่อปล่อยปละละเลยไปไอ้กิจกรรที่จะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันจะเกิดขึ้นอีกก็ต้องใช้เวลาอีกนานอันนี้เขาเรีย ก, กว่าเสื่อมคุณภาพการเสรื่อมคุณภาพเกิดขึ้นกับฐานและทีนี้ ต่อมาในการอธิบายนั้นก็จะอธิบายว่าฌานนั้นมีความสาคัญเท่ากับสิ่งที่มีค่ามากสาหรับชีวิตของบุคคลแต่และบุคคลดังนั้นเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งสามารถนาฌานมาแนะนำให้พร้อมทั้งใช้พลังฌานช่วยช่วยให้จนมีบุคคลได้รับผลของฌาน จะทำให้เขาทั้งหลายพบกับความสุขที่มีค่าสุจะพันณนาความเป็นเช่นนี้คือฌานนั้นเมื่อเขาทั้งหลายได้รับเขาจะฝังความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เป็นอาจารย์อย่างสุดซึ้งคืออย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับจิตใจเกิดความเชื่อยอย่างสูงพระเหตุแห่งฌาน อาจารย์ของเขาหมายถึงว่า เ, เราไม่ได้หมายถึงคณะใดคณะหนึ่งแต่เราได้กล่าวว่าอาจารย์ของเขาเกิดหลงผิดขึ้นมองเห็นถึงความอ้างว้างเพราะว่าเวลาที่เป็นฌานนัะมีความสุขส่วนอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าใจถึงญาณเข้าใจแต่ฌานเท่านั้นเพราะฉะนั้น จึงมีโอกาสที่ว่าอาจารย์จะต้องเกิดความเข้าใจผิดเมื่ออาจารย์เกิดความเข้าใจผิดอาจารย์ก็ต้องบอกลูกศิษย์ไปตามที่ความเข้าใจผิดนั้นเกิดขึ้นก็ในเพราะว่าศิษย์ทั้งหลายนั้นได้รับผลอย่างทราบซึ่งเลอกกว่าสุดแสนจะารนนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เมื่ออาจารย์บอกอย่างไรเนี่ยเขาจะเชื่อโดยที่ไม่ต้องฟังเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในการที่บุคคลผู้ที่มีฌานแล้วไม่มียานที่เกิดอาการหลงผิดขึ้นพร้อมทั้งอาจารย์นลลูกสิ์ก็จะต้องพากันเดินทางผิดไปโดยที่ยากว่าหน้าจะได้ที่สุด ท้งนี้และทางนั้นเพราะไม่เกิดยานขาดยานยานนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวอยู่ว่าผู้ที่ได้ฌานอย่างนี้แล้วนึกว่าอนาคตชาติหน้ามีความสุขจริงมันยังไม่ทันตายเราช่วยกันตายซะก่อนอย่างนี้อย่างเป็นต้นว่าทุกคน พูดที่มีฌานทราบแล้วว่ามีความสุขที่เขาได้รับอยู่เดี๋ยวนี้ดังนั้นจึงยอมเชื่อคำของผู้เป็นหัวนหน้าอย่างจริงใจไม่มีข้อแม้ใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้ยอมข่าตัวตายพร้อมกันด้วยความสมัครใจก่อนตายก็เพ้อออกมาพร้อมกันว่าพวกเราได้พบทางไปสู่สวรรค์แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นปริศนาแห่งฆาตกรรมพวกเขาก็เขียนจดหมายว่าพวกเราสมัครใจนำร่างนี้ไปเพื่อพบคณะเราอย่างมีความสุขบนสวรรค์อันนี้มันจะมีมากมายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันในสมัยหนึ่งที่ สาวกของพระพุทธเจ้าพอนำการปฏิบัติไปถึงฌานเนี่ย ก, ก็พายการคิดว่าอันนี้แหละมันพ้นทุกข์แล้วได้ไปจ้างวานให้เพชฌฆาตมาฆ่าฆ่าตัวเองแล้วว่าฆ่าลูกศิษย์เป็นจำนวนไม่รู้เท่าไหร่ นหลายร้อยอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในประชิกข้อที่สามของพระเนี่ยจะมีประชิกสีข้อข้อที่สามนั้นคือฆ่ามนุษย์เป็นประชิกเพราะฉะนั้นฆ่าตัวเราเองก็เป็นประชิกให้คนอื่นจ้างคน อ, อื่นเข้ามาฆ่าตัวเรา ก็เป็นประราชิกก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าขาดจากความเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้ถูกบัญญัติไว้ในข้อนี้ไว้และทีนี้พูดถึงเรื่องการทาฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขอย่างที่เราไปมีความสุขเที่ยวเล่นบ้างมีความสุขกับเพื่อนบ้างมีความสุขตอ่อ หน้าที่อะไรต่างๆบ้างแต่ความสุขเหล่านี้มันสู้ฌานไม่ได้ฌานมีความสุขกว่าเพราะฉะนั้นมีหลายๆคนที่คิดว่าฌานนี้มันจะทำให้เรามีความสุขไปได้อย่างตลอดรอดฝังตัดช่องน้อยเฉพาะตัวก็หมายความว่าจะบวชก็ได้หรือจะไปยังไงก็ได้ เมื่อเรียนอยู่ก็เลิกได้เมื่อทำงานอยู่ก็เลิกได้มีสามีอยู่ก็เลิกได้มีภรรยาอยู่ก็เลิกได้อันนี้คือเอคูอ่ที่ไปพบฌานระดับหนึ่งทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นไอ้ฌานเนี่ยมันไม่ได้คงที่เพราะว่าฌานนั้นมันมีขึ้นได้และเสื่อมได้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันกันกบ อ, อ จะทำหรือเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้พอไประดับหนึ่งอ้าวไอความสุขกันนี้มันค่อยหายไปหายไปแลําก็หมดไปพอหมดไปแล้วจะทำขึ้นมาอย่างเดิมอีกไม่ได้ทีนี้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปบวดแล้วก็สึกออกมาหรือว่าไปทำหวังว่าจะไปเหุ้ผลทุกข์แล้วกลับคืนมาพอกลับคืนมาแล้ว กิจการงานก็เสียแล้วหน้าที่ต่างๆก็เสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นอันตรายอันหนึ่งในวันนี้ที่อธิบายในอธิบายในเรื่องความเสื่อมของฌานอันนี้เรารู้ไว้เพื่อที่จะเป็นข้อที่เราจะต้องเตือนหรือว่าตับเตือนหรือว่าเข้าใจว่าฌานเนี่ยถ้าถึงบทมันจะเสื่อมแล้วเนี่ย มันก็เสื่อมไปเลยเช่นอย่างมานพที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังมันนะมันเหาะได้แต่ว่าพอไปเห็นผู้หญิงคนแล้วมันก็เกิดความลักอย่างเนี้ยชานมันก็หายหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อแนะนำอยู่ในเวลานี้ต้องการให้ชาญเนี่ยมามีประโยชน์ต่อครอบครัว มีประโยชน์ต่อการศึกษามีประโยชน์ต่อธุระหน้าที่มีประโยชน์ต่อสังคมจึงได้จัดระดับฌานที่เราพากันทําอยู่ในเวลานี้คือฌานในความสบายอย่างนี้เป็นต้นสบายยังไงก็เมื่อเวลาที่เรามานั่งสมาธิเราได้ความสบายได้ความสบายเท่นนี้พอแล้ว แต่ใครจะเข้าชา้นลึกๆหลวงพ่อก็ห้ามไว้บอกว่าอย่าพึ่งเข้าให้ตั้งใจไว้ก่อนอก่อนมันจะเข้านี่ให้มีสติช ะ, ชะลอชะลอชะลอไว้ทีนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าชา้นไม่ได้เป็นตัวผลิตพลังจิตชานเนี่ยไม่ใช่ตัวผลิตพลังจิต ไอ้ตัวที่ผิดพลังจิตนั่นคือสมาธิเข้าใจอย่างนี้ด้วยฌานนั่นคือตัวสวยผลตัวสวยผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการพลังจิตเนี่ยแท้จริงไม่พยายามที่จะทำฌานนี้ให้เกิดขึ้นมากนะักอย่างพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเวลาที่จิตจะเข้าฌานเนี่ยท่านจะเลิกไม่เข้าเพราะว่าไปเข้าฌานน่ะเสียเวลาเสียเวลาที่จะมาทำพลังจิตและมีมีหลักฐานอะไรที่พูดอย่างนี้มีหลักฐานในพระใจพปิดกแสดงเห็นชัดเจนว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมด ว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันจะไม่เข้าสู่อาสัน ญ, สสญิสัตตาอาสัญญิสัตตานั้นคือหมายความถึงอรูปฌานท่านจะไม่เข้าอารูปฌานท่านจะอยู่ในสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างพลังจิตเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เทสัท้นปรารถนาโพธิญาณ น, นั้นในแต่ละชาติเนี่ย การที่จะเข้าสู่ฌานอารูปฌานนั่นก็เรียกว่าตัดออกเอาแต่สมาธิเพื่อสร้างพลังจิตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ข้ามไปเลยว่า อ, อันนี้ก็คงจะอธิบายเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็อ่านเอาเองก็แล้วกันว่าสิ่งที่จะต้องรู้เรื่อง ในความเสื่อมของฌานคือหาทางป้องกันฌานเป็นของดีมีค่าฌานเป็นของดีมีค่าจริงแต่ผิดขึ้นไปจากสมาธิการดูแลรักษาของดีดีมีค่าก็ต้องใช้ความรู้สูงด้วยอย่างนี้ <c oughs> เพราะของดีมีค่าหากรักษาไม่เป็นก็เป็นที่น่าเสียดายดังนั้น การดูแลรักษาชานจึงเท่ากับการดูแลรักษาของมีค่าเราสร้างขึ้นมาได้เราก็ต้องรักษาได้หมายความว่าเรามีสมาธิกับญาณจําไว้หน่อยว่าในการที่จะรักษาชานเนี่ยมันต้องมีญาณญาณเนี่ยต่อไปบทข้างหน้านี่อีกตั้งสิบบทที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องญาณ เพื่อจะได้ไม่ให้เราเนี่ยต้องเสีย เ, เกิดการ เ, เกิดการเสียหายในเมื่อเราได้ชาญมาเนี่ยเราจะรักษาอย่างไรอย่างคนที่ว่าเขาซื้อรถเบ้นมาคันหนึ่งราคามันตั้งหลายสิบล้านเขารักษาไม่เป็นมาถึงก็เอากระดาษจายเนี่ย ไปขัดมันอ่ะมันก็ถลอกปอเปิกหมดสิใช้ไม่ได้อ่ะมีน้ําซ้ํำยังเอามันใช้นะ้ำมันเบนซินยังใส่โซลา่าเข้าไปอย่างเงี้ยอแล้วใส่โซลา่าไม่พอยังออนน้ำมันเตาใสาเข้าไปอีกเอ่มันทังทันทีเราเลือกมันเป็นอย่างนั้นอ่เพราะฉะนั้นอ่าทาอที่เราได้มา จึงต้องมียานเป็นตัวกากับหมายความว่ายานนี้จะเกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะเทนี้จะพูดถึงยานอธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งคือว่ า, เ, าเราจะเข้าใจในเวลาที่เราเกิดฌานขึ้นมาแล้วสติสัมปชัญญะคือความรู้แ ล, และการระลึกได้ ไอ้ความรู้ความรู้เนี่ยเราจะหมายเอาแค่ไหนที่เรียกว่าเป็นความรู้ความรู้นั้นหมายเอาเวลาที่จิตเนี่ยมันจะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วเนี่ยมันจะไม่เผลอคือไม่มีการเผลอ เพราะเมื่อไม่ไมเผลอแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้รู้อยู่ถ้าเราเผลอมาเลยนีย่ความรู้มันจะหายพอเรามีสติคือมีการระลึกได้อยู่ตลอดเนี่ยมันจะมีความรู้อยู่อันหนึ่งแล้วความรู้อันนั้นอ่ะที่เรียกว่าเป็น ญ, ญาณทีนี้ความรู้อันนั้นเนี่ยมันจะต้องได้รับกัน ก็ะทำอย่างไรถึงจะมีความรอบรู้ขึ้นการระลึกนั้นหมายถึงความไข่ครวนแต่ความไข้ครวนคือความคมของจิตหมายถึงความละเอียดแห่งความคมทีนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้ว่าเวลาที่จิตเนี่ย เวลาที่เราระลึกได้ตอนที่มันจะเข้าพวังตอนที่จิตมันรู้สึกว่ามันเงียบแต่ในความเงียบนั้นเราอยังมีสติอยู่สติแปลว่าความระลึกได้มันยังมีความระลึกได้อยู่ในเมื่อมีความระลึกได้ไอความความรู้ก็ยังมีถ้าระลึกไม่ได้ความรู้หายไปแต่ระลึกได้ความรู้ยังมี ทีนี้ความรู้อันนี้ถูกพลังจิตเขาเรียวกว่าสมาธิเนี่ยอบรมอบรมความรู้อันนี้ค่อยละเอียดเข้าแต่ความใข้ครวนคือความคมความคมของจิตหมายถึงความละเอียดแห่งความคมทีนี้ในที่นี้จะเกิดขึ้นมาเองเพราะยานนั้น มีความพร้อมของสติก็จะเป็นญาณได้ดังนั้นอาศัยความคมของจิตที่เป็นญาณจึงมีไอปฏิพานไหวพริบเกิดขึ้นก็เหมือน ก, นกันกับเราอย่างเงี้ยไปเจอปัญหาพอไปเจอปัญหาเนี่ยมันเกิดปฏิพานขึ้นมาจะต้องแก้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ปฏิพันไหวพริบอันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่เกิดขึ้นมาเองเพราะว่าผู้นั้นได้เป็นผู้มีชาวณปัญญาแหลมคมหมายความว่าเป็นผู้มีชาวณปัญญาดีเมื่อเป็นอย่างนั้นปฏิพาน์ก็จะเกิดขึ้นมาเองแตเกิดขึ้นมาในขณะในขณะที่เจอปัญหา เวลาที่เขากำลัง เ, เดินทางไปสพพบปัญหาขึ้นเราพูดกันง่ายๆคือว่าเราเอารถไปอย่างเงี้ยมเกิดปัญหาขึ้นว่ า, เ, าเครื่องยนต์มันไม่เดินหรือความร้อนมันขึ้นหรืออะไรต่างๆละมันจะมีอยู่ที่นั่นแหละความรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองว่าเมื่อความร้อนมันขึ้นมันก็จะต้องน้ำมันแห้ง หรือว่าเครื่องยอนต์มันไม่เดินเนี่ยที่ผมมันไปอุดไอ้คา ร, ร์บูเรเตอร์หรือไงอย่างเนี้ยไอ้ปฏิพานอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่าบุคคลพวกนั้นได้มีความรู้ได้มีความศึกษามันก็เกิดความรู้ขึ้นแต่คนที่ไม่รู้แม้ว่าไปเห็นเข็มให้ความร้อนมันขึ้นก็ไม่รู้เข็มอะไร อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาทีา่ความละเอียดแห่งความคมในที่นี้เกิดขึ้นมาเองเพราะยานนั้นมีความพร้อมของสติจึงเป็นยานได้ดังนั้นอาศัยความคมของจิตจึงเป็นยานปฏิพันธ์ไหวพริบความรอบรู้ในกรณีแห่งความเป็นจริงด้วยเหตุผลจึงเรียกว่าเป็นความคม เป็นความคมของจิตที่ได้ฝึกเข้าขั้นญาณอย่างนี้ไอ้่างที่หลวงพ่อบอกว่าใครคือผู้รู้อันนั้นคือเป็นปฐมเหตุของการเกิดญาณอันนั้นเป็นปฐมเหตุของการเกิดญาณประการที่หนึ่งและประการที่สองทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ตั้งสติไว้ อย่าพิ่งให้จิตนี่มันรวมลงไปเร็วนักอบางคนนี่ขี้เกียจพอกําหนดจิตพับก็เข้าปุบหลับไปเลยสบายออันนี้ก็คือหลวงพ่อเองอ่ะอะเราก็เข้าจิตพับเข้าปุบสบายไปเลยมันสบายเนี่ยแล้วจําัวรีรออยู่ทําไมเพราะฉะนั้นในวันที่หลวงพ่อ นอนค้างในห้องเดียวกันกับหลวงปู่มั่นในกรณีนี้ไม่มีองค์ใดรุนในบรรดาลูกศิษย์ของท่านที่ท่านจะให้เข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันแต่ท่านอนุญาตให้หลวงพ่อเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ากุฏิหลังนั้นมันใหญ่กุฏิโบราณที่เขาทำเอาไว้ มันอยู่คนละมุมกันพอเวลาที่หลวงพ่อขี้เกียจไม่ใช่ว่าขี้เกียจนั่งสมาธินักขยันอยู่นั่งสมาธิแต่ขี้เกียจไปเอาสติมากำหนดไว้ให้เสียเวลาพอกำหนดจิตภาพเข้าภพหลับปีสบายเลยหลวงปู่เขาก็เดินมาจาับกรดของท่านเดินมาก็มาขยา่ากรดวิธียงังครับ ว้าวแม่ผมกำลังสบายครับแกมันผิดแล้วว่าว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะนับตั้งแต่วันนี้ต่อไปก็จะทำอย่างนี้ไม่ได้นี่นี่คือกาพูดที่หวังดีหลวงปู่ท่านหวังดีต่ อ, อหลวงพ่อแค่ไหนท่านเองถึงแม้ว่าท่านก็ จิตท่องท่านก็หลุดพ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรื่องอะไรต้องมาเป็นห่วงหลวงพ่อโดวยว่ามานั่งอย่างนี้ขี้เกียจแล้วมันก็ไม่ได้แล้วพลังจิตของแกหลวงพ่อจําจนป่านนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เราจะไปทํายานของเหล่านี้ให้คมทีนี้ถ้าหากว่าเราขี้เกียจเราปล่อยให้จิตเนี่ย บั้มเข้าไปเลยอย่างงี้มันไม่รู้จักคมทีนี้พยานมันคมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นทีนี้ปฏิพาน์ไหวพริบ ป, ปฏิพันธ์ไหวพริบจะเกิดขึ้นแล้วปฏิพัน์ไหวพริบนันนะ่ะไม่จำเป็นต้องไปสอนกันไม่จำเป็นต้องไปแนะนํากันมันจะเกิดขึ้นมาเอง เ, ออเราไปสังเกตดูเด็กๆไอ้อคนที่มัน ฉลาดเนี่ยมันจะมีไหวพริบแก้ไขมันเองเช่น อ, อย่างว่าหลวงพ่อไปเห็นเด็กคนหนึ่งมันตัวมันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันจะเอาไอ้กระสอบอะไรไม่รู้ใหญ่ทั้งเท่านี้เอาขึ้นรถตัวมันเล็กนิดเดียวมันเอาขึ้นมันเอาขึ้นรถนี่มันเอาขึ้นไม่ได้แน่หมายความว่าทายรถเก๋งอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าหลวงพ่อก็นั่งดูมันว่ามันจะเอาขึ้นได้ไหมปฏิพันธ์ของมันมีนะ่ะมันไปเอาไม้มาลองอแล้วมันก็กลิ้งขึ้นไปนี่แสดงว่ามันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรียกว่าปฏิพัน์อย่างนี้เราก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้บอกแต่มันเอาขึ้นได้อันนี้นั่นเปรียบเทียบมาถึงยาน ยานที่เราจะต้องมีเพราะว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่หลวงพ่อจะต้องสอนเรื่องยานเนี่ยให้มากที่สุดป้อง ก, กันการหลงผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราปรับปรุงยานอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ปฏิพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาในตัวของเราเนี่ยมันจะมีเหตุผลทีนี้ เออตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นถ้ำปิดหมายความว่า อ, อากาศไม่ผ่านเมื่อใครเข้าไปอยู่ในที่นั้นแล้วก็มิดกลายไร้หายไม่ต้องเห็นเดือนเห็นสัจจัจรัตนั่นก็เป็นนั่งอยู่ที่นั้นเออตรงนั้ น, นี่ยมันจะมีเหยวมีเหยวลึกและท่านเอาหินเนี่ยปาลงไปเนี่ย เกือบอึดใจกว่ามันจะลงแต่อย่างเงี้ยแสดงว่าลึกมากก็เลยท่านก็ไปนั่งตรงนั้นนหละตรงหินก้อนนั้น่ะแต่ว่าหันหน้าท่านหันหน้าลงเหวถ้าหาัว่ามันจะตายคนอื่นจะได้ไม่ต้องเผา้มันตกลงไปนี่เลยว่างนี้เป็นนั่งอยู่ที่นั่นพอลุ่งขึ้นเนี่ยสามวัน หมายความว่าท่านไม่ฉันอาหารสามวันนั่งอยู่ที่นั่นปรากฏปรากฏการต่างๆในร่างกายนี่เกิดความวิปริตขึ้นร่างกายของท่านเนี่ยเกิดการวิปริตวิปริตยังไงเวลาถ่ายอุจจาระออกมานี่ทุกอย่างไม่มีย่อยข้าวข้าวเนี่ย ยังเป็นเม็ดออกมาแล้วในตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะชาหมดทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันเกิดวิปริลอ๋อน่ากลัวจะเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่กลับออกไปบินธบทติพวกยาจอยก็คิดว่าโอ้ป่านนี้คงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราย Glory, no. tamam our, ังวิตกกังวลว่าโอ้หลวงปู่มันคงจะเรียบร้อยไปอีกองหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะแก้ไขตัวท่านอย่างไรก็คือวันพรุ่งนี้ก็สงสารหลวงพ่อหน่อยก็แล้วกันกินยาเมา อัยยะแก้วัดนี่มันเมาหน้าดู <c oughs> ตามอัธยาศัยคุณกัณ น, นิกามนเทรามาลัยกราบอนุปการพระอาจารย์สิดอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าขณะที่ทางเสื่อมไปนะั้นจะทำให้พลังจิตเสื่อมไปด้วยหรือไม่คะคะพลังจิตไม่เสือ่อม เรื่องกิจคงที่ <c oughs> เ, เสื่อมก็เสื่อมแต่ชานเท่านั้นต่าไปขอเชิญคุณกองแก้วแก้ ว, กวตันใจกราบหลวการระอาจารย์นะผมอยากจะทราบว่าชานกับยันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับชานคือความสุขสบายนั่งแล้วก็สบายนี่ก็เรียกว่าชาน ยาแน่นะ่ะคือรู้ความสบายีิกีหนึ่งรู้แล้วก็มีความรอบรู้เทีมอย่างว่ารู้จักใจคนคิดยังไงหรือว่ารู้จักอดีตชาติเกิดมายังไงอย่างนี้เขาเรีย ก, กว่ายา <c oughs> แล้วผมกถามข้อการที่คุณเรา หวานลือนิมิตอะไรนะตอนข้อรูงเนียมันมันมนกจะเป็นจริงเสมอนะมันเกิดจากอะไรครับอันนั้นก็คงจะเป็นบางคน <c oughs> แต่ก็คงก็คงมีน้อยก็จกเป็นบางคนอ่ะบางคนเขาเอาศัยมีการพยายามสังเกตตั้งข้อสังเกตว่า อย่างฝันเห็นอุจจระถูก ร, ตรัตเตอรี่อย่างนี้นะหรือ ว, ว่าถ้ากองใหญ่ก็ถูกมากหน่อย <c oughs> คนช่างสังเกตมัน <ขอ S 1> เป็นเรื่องของคนช่างสังเกตมากกว่า <c oughs> ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณกรอบเพชรอมรพิมลค่ะคือว่ามีวันนึ่ะค่ะก่อนที่จะ เดินจงกรมแล้วลงมานั่งสมาธิในห้องนั่งสมาธิอะค่ะได้นั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปข้างวนชั้นสองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือก็สงบดีอะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอว่าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ยังเรียบร้อยดีแต่พอลงมานั่งสมาธิข้างล่างรู้สึกว่าคือตอนนั้นจิตใจก็ลงโลงดีอะค่ะไม่มีเรื่องกังวลอะไรก็สบายใจดีแต่ว่านั่งยังไงมันก็ไม่ทาสมาธิไม่ได้อะค่ะ คือต้องได้แต่นั่งเฉยๆอย่างนั้นตั้งแต่ตอนจนจบเลยอะค่ะอาวก็นั่งไม่โปร่งดีก็ดีแล้วมันมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะคือได้แต่ิดพุทโธอย่างเดียวแต่มันไม่เกิดสมาธิอะไรขึ้นมาเลยอะค่ะนับตั้งแต่วินาทีของเราบริกรรมพุทโธจิตมันเป็นสมาธิแล้วและที่ว่ามันไม่เป็นสมาธิคือมันไม่เป็นฌานนั่นเองเพราะฉะนั้นได้ความสุขเนี่ย มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าเราทำสมาธิไปแล้วเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไอ้ความสุขอันนั้นอนะ่ะที่เราเรียกว่าสมาธิแต่มันเป็นฌานแต่เมื่อมันเกิดความปลอดลงแล้วก็ความเอ่อโล่งใจมีสติบริกรรมอย่างนี้เขาเรียกก็เป็นสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอด เวลานั่งไปนั่นคือสมาธิเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้ถูกต้องเพราะว่าความสบายคือฌานขอบคุณค่ะต่อไปก็ขอเชิญคุณกฤษดาสุวรรณอัตกราบนมรสการท่านอาจารย์ครับที่จะขอถามนี้คงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่อสงสัยว่าการที่คนเราเนี่ย ตัก บ, บาตรธมนตัก บ, บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว เ, เคยได้ยินท่านพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าไม่จําเป็นต้องตรวจน้ําก็ได้ขอให้ตั้งจิตอแล้วลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็ อ, อจะไปถึงยังผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอันนั้นถูกต้องใช่ไหมครับเ อ, อถูกต้องครับแล้วยังสงสัยต่ออีก น, นิดหนึ่งว่าเ อ, อการที่เราตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ร่วงลับในขณะที่ ถ้าเกิดว่าเข า, เาไปเกิดแล้วแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยจะตกไปอยู่ที่ไหนแล้วใครจะเป็นผู้ได้รับครับเออเกอตัวเราก็กลับมาเป็นของตัวเราคืนแล้วก็ไม่ไม่เสียหายเลยจะกลับมาเป็นของเราขึ้นครับขอบพระคุณครับต่อไปก็ขอเดิญคุณการจนาตั้งกุศลเลิก ใน ก, การมรดการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าเ อ, อคนไข้ที่ดมยาสลบบ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะคะจิตเลียงถามว่าในกรณีที่มีแผลลึกแล้วก็แผลใหญ่มากๆเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงล่ะคะแผลลึกค่ะเขาจ ะ, จะต้องมาทําแผลโดยการที่ดมยาสลบอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่นครั้งนะคะบางคนนานเป็นปีเลยะะเอ่ะค่ะอ่าเป็นแผลแผลอะไรนะเออคือหมายความว่า เป็นแผลเรื้อรังอย่างนี้เลยคยกตัวอย่างเลยนะคะขณะนี้มีคนไข้ในความดูแลเนี่ยดมยาสลบทมาเดือนที่หกแล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเขาเป็นแผลที่เป็นฝีที่ก้นนะคะอ๋อมันเป็นแผลเล็กๆข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยมันลึกเข้าไปตั้งเจ็ดนิ้วอะค่ะอ๋อทีนี้ยดมยาสลบไปหกขนแล้วไม่ใช่หกครั้งค่ะครั้งละอ า, อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะเดือนนี้เป็นเดือนที่หกแล้วค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วเคยมีคนไข้แบบเนี้เป็นมาเป็นปีด้วยอะค่ะ อ๋ออันก็คนก็คงจะร่างกายก็คงจะแย่หน่อยนี่อ่อที่ถามนี่ต้องการถามอะไรเนี่ยต้องการถามว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงอ่ะค่ะช่วยให้แผลหายหรือช่วยยังไงไม่ทราบค่ะก็พระอาจารย์บอกว่าดมยาสลบบ่อยๆไม่ดีถ้าคือว่าไม่ดีนั่นหมายความว่า ร่างกายมันไอ้จิตใจมันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยอ่แต่ก็คงจะไม่ทุกขายจมั่งบางคนอาจจะมีร่างกายต้านทานได้ดีก็คงจะไม่ไม่เสหายอะไรมากขอบพระคุณค่ะอ่านี่คงจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเนาะอ่ขอเชิญคุณกาญจนาตีรชาติ กราบนรเมศการพระอาจารย์ค่ะศิจจะขอถามเกี่ยวกับคือเคยคุยกับเพื่อนที่อาวุโสกว่าคนหนึ่งนานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาปรารถนาพุทธภูมิแต่เขากลัวว่าถ้เาเกิดเขาทําสมาธิมากๆแล้วถ้าเกิดมีเหตุต้องตายตอนนั้นเขาจะต้องไปเกิดเป็นพรหมทําให้เสียเวลามากซึ่งสิจฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมาเรียนเรื่องฌานกับพระอาจารย์ก็จะพอเข้าใจว่า <_ <d> _>เขาคงหมายถึงเข้าเข้าไปอยู่ในอรูปฌานใช่ไหมคะแล้วเขาก็เสียชีวิตในตอนนั้นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคะพูดที่ปรัถนาโพธิยานนี้ถึงยัางไงาเมื่อทําสมาธิไปแล้วเนี่ยโดยมากเขาจะไม่ค่อยเข้าอารูปฌานเขาอยู่ในรูปฌปานเท่านั้นเพราะต้องการบมเพ็ญบารมีให้มาก ถ้าไปถึงอรูปฌานนั่นก็จะเกิดการล่าชาเสียเวลา <c oughs> อันนี้ก็เป็นปกติของพระโพธิสัตว์แล้วมีอีกนิดนึงนะคะต่อจากส่วนเนื้อสืบเนื่องจากอันนี้นะคะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเข้าฌาน ล, ลึกแล้วไม่ดีให้ถอนออกมาคืออย่าไปอยู่ในฌาน ล, ลึกให้ถอนถอนจิตออกมาคําว่าถอนจิตนี่คือทําอย่างไรคะอเมื่อเวลาเข้าไปถึง เป็นทานไปแล้วอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องถอนแล้วเคปล่อยมันก็จะออกมาเองถึงเวลาก็จะออกมาเอง <c oughs> เพราะเข้าไปแล้วแต่เพราะฉะนั้นก่อนแต่ที่จะเข้าเนี่ยเราให้ตั้งสติไว้ให้นานที่สุดอย่าให้อย่าเพิ่งให้จิตเนี่ยเข้าไปเพราะว่าพอจิตเข้าไปแล้วมันก็ถอนไม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลาก่ขอบพระคุณค่ะเอ่อต่อไปขอเชิญคุณกาญจนาสุริสระพันธ์กล่าบมนัศการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อฉันยาหมดสิบเม็ดแล้วทำไมยังมาเยือนสอนได้ทำไมหลวงพ่อไม่นั่งสอนค ะ, ะนั่งเดี๋ยวก็เลยหลับเลย <c oughs> ยืนยังก็ยังชวดหน่อย ขอบคุณคะ่ะต่อไปขอเชิญคุณกิติศักวิวัฒนาวงศ์กราธรรมสการพระอาจารย์ครับถก็ผมมีประสบการฝึกสมาธิอยู่หลายครั้งนะครับจะเข้าสู่สภาวะเหลือแต่ตัวรู้ทางจิตไม่มีสภาวะทางกายปรากฏนะครับถ้าต้องการจะดำรงสติให้ได้พลังจิตนะครับ จ ะ, ะตั้งสติให้มีความรู้ตัวทางกายพร้อมและมีตัวรู้ทางจิตพร้อมกันจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะใช้วิธีอย่างไรถูกต้องครับอ่าคือการทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันละเอียดลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้รู้นี่คือหมายความว่ามีสติมีสตินั่นน่ะสติตรงนั้นน่ะสติเนี่ย มันจะ <c oughs> เป็นอย่างนี้สติเนี่ยสติอย่างต่ำๆสติอย่างกลางๆสติอย่างสูงๆเพราะฉะนั้นสติจึงมีอยู่ถึงสามระดับเมื่อเวลาที่ เ, เราทําจิตไปถึงตัวผู้รู้เนี่ยมันจะมีสติอยู่คล้ายๆก็อยู่กํากับอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสติละเอียด เมื่อสติละเอียดจากนั้นอาจจะเป็นสติปัฏฐานหรือสติอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําจิตไปถึงขั้นนั้นแล้วเขาก็ให้กาหนดอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดในความอิ่มตัวขึ้นไปเองหรือมันจะเกิดไใอพลังพเพิ่มเติมอิ่มตัวไปในตัว แต่ว่าถ้าเนี่ยจิต ท, ที่มันรู้อยู่แล้วก็มีสติอยู่ถือว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าหาว่ารู้เฉยๆเหมือนกันก็มันไม่มีอะไรอย่างเนี้ยอันนี้มันจะกลายเป็นฌานกราบประคอบคุณมากครับอ่ต่อไปขอเชิญคุณเกรียงพิพัฒน์ ทิรันธ น, นะดิโลกาศกาสตราจารย์ครับลูกได้อธิบายให้คนที่สนใจสมาธิฟังว่าการฝึกสมาธินั้นให้อุปมาเหมือนกับว่าคนฝึกการขี่มา้าถ้าหากเราเจอม้าพยศคือจิตที่ทุ้งตาลมากและเราพยายามคุมให้อยู่เราก็จะได้พลังจิตมากไม่ทราบว่าลูก อุปมาเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ถูกต้องแล้วก็อาอุปมนี้ก็ใช้ได้เราฝึกจิตมันก็เหมือนฝึกมา้าไอตัวไหนดื้อนนะักก็ให้มันอดซะเลยมาให้มันกินหญ้าซะยาบก็แเหมือนกันกับว่าถ้าหากว่าจิตใจของเรามันดื้อดีนัก อ, อดข้าวสักสามวันนั่งมันเลยอย่างนี้ แต่ว่าอย่าไปเชื่อนะค่อยข้าวสามวันแล้วมีหวังแย่ที่ว่าอย่างเงี้ยเขาคือการฝึกเนี่ยมันมีอยู่สามคือม้าฝึกง่ายก็ให้กินหญ้าตามปกติม้าฝึกพอปานกลางก็ให้ลดระดับการกินหญ้าลงบ้าง มาฝึกลำบากตัดไม่ให้กินหญ้าซะเลยนี่คือวิธีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นว่าอย่างนั้นเป็นข้ออุปมาอรละทนี้สุดท้ายขอเชิญคุณกเกษมพง์พันธุ์อุบลกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับสิบมีข้อสงสัยที่ว่าเคยเห็นมีอาจารย์หลายองค์นะครับที่ละสังขารไปแล้ว แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยมีเอ่อเยสาหรือว่านขานี่ที่งอกขึ้นมาได้อันนี้ไม่ทราบว่าเกิดเพราะอะไรครับอ่าร่างกายสังขารเนี่ยแล้วก็คกยงจะยกเป็นธาตุทั้งสี่ธ <c oughs> าตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำไฟลมเมื่อถึงขาวแตกสลายแล้วกรียะก็หมดสภาพ แต่ทีนี้เมื่อมันมีปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นร่างกายไม่เน่าเปื่อยหรือว่ามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันนอกเหนือจากกฎธรรมชาติก็ต้องสุดแล้วแต่ใครจะคิดว่าสิ่งนี้คือเป็นอภิเนหารหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งอาฏจรย์ก็ย่อมรู้ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนี่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านบำเพ็ญฌานชั้นสูงทำให้ร่างกายของท่านมีการต่อต้านได้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นและเหกประการหนึ่งก็อาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของธาตุขันอันนี้ก็สุดแล้วแต่อ่าเราเล่าขนาดนั้นนี่นะฮะ ไม่ทราบอาทิตย์สมานกายขอยงท่านยังยังอยู่ไหมครับเ อ, อไม่อยู่แล้วแต่นับตั้งแต่วินาทีของการสิ้นลมหายใจทิตสมานกายก็จะไม่อยู่ในร่างอันนี้แล้วครับกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับอ่าเป็นอันจบ